เพิ่งนพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องอาศัยความอดความทนถ้าไม่อดไม่ทนแล้วก็ทำไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรม ก็คือความพยายามละกิเลสละความโลภความโกรธความหลงมานทิติธิอันมีอยู่ในใจนี่ออกไปนั่นแหละการที่เราจะเพียรละกิเลสซึ่งมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นมนานแล้วนี่จะขับไล่มันออกไปง่ายๆยอย่างนี้เนี่ยมัน ยังเป็นไปไม่ได้ก่อนดูสิพระพุทธเจ้าผู้จะสร้างผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านะก็ต้องสร้างบุญสร้างคุศลสร้างบา ร, รมีมาตั้งหลายอสงไขยอะกว่าบุญบา ร, รมีมันจะเต็มกว่ากว่าจะชนะกิเลสและความชั่วร้ายต่างๆได้ ถ้าหากว่ากิเลสนี่มันละเอาได้ง่ายๆก็ไม่จะเป็นต้องสร้างบารมีให้มากมายปะนันแหละผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ต้องสร้างบารมีถึงแสนลั้บต้นก็จึงบรรลุมรรคผลธนิพพานได้ก็ให้พากันคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้ได้เราก็จะมีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนั่นลยการสร้างบารมีกับการละกิเลสนะั้นมันไปพร้อมกันขอให้เข้าใจก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าการสร้างบารมีอย่างหนึ่งการสร้างบารมีเวลาหนึ่งต่างหากการละกิเลสเป็นเวลาหนึ่งต่างหากไม่ใช่อย่างนั้นนะการสร้างบารมีก็หมายถึงว่าการกระทาความดีนั่นแหละการทาความดี ก็เพื่อที่จะขจัดความชั่วอันมีอยู่ในใจออกไปถ้าเราไม่สร้างความดีให้เกิดขึ้นมันก็ขจัดความชั่วอันมีอยู่ในใจนั้นไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเหมือนอย่างโรคอันมันเบียดเบียนร่างกายอยู่นี่แหละอีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รับประทานยาเข้าไป โรคมันก็จะไม่หายออกไปพอรับประทานยาเข้าไปอย่างนี้หากว่ายานั้นมันมีกำลังเหนือโรคโรคภัยไข้เจ็บได้โรคภัยนั้นมันก็ค่อยหายไปหายไปแล้วความสบายมันก็เกิดขึ้นมาแทนความเจ็บปวดทุกเวทน า, ทาต่างๆหมุนนั้นพอโรคระงับไป ความทุกข์ความเจ็บปวดมันก็หายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นมาแทนทันทีเลยอย่างนี้นะท่านในาัาสังเกตดูอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอันนั่นเรียกว่ากำจัดโรคทางกายแล้วก็ต้องอาศัยหยุกยาอาศัยข้าวน้ำวันนี้มาบาบัด โรคทางใจนี่ไปอาศัยอาหารข้าวน้ำอะไรหมุนนั้นมันไม่ได้สิเพราะว่าจิตนี่มันไม่มีรูปร่างอะไระมันมีกุศลธรรมนั่นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจนี่ถึงมีความสุขได้อย่างนั้นถ้าว่าไม่ทำบุญกุศลไม่ทำความดี อจิตนี่มันก็มีกิเลสเป็นอาหารกิเลสนั่นอุปมาเหมือนอย่างยาพิษอย่างนี่นลยธรรมดายาพิษนี่เมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ทำพิษขึ้นมาเมื่อ น, นั้นเมื่อบุคคลได้รับประทานเข้าไปแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะผู้ใดสั่งสมมันไว้ในใจล่ว เมื่อมันยังไม่ได้โอกาสมันก็ยังไม่ทําพิษก่อนอเมื่อเจ้าตัวนั้นเผอ ต, ตัวเมื่อใดกิเลสมันก็ลุกขึ้นเล่นงานเมื่อนั้นออย่างนี้แหละถ้าหากว่าจิตนี่มันรู้ตัวอยู่ ม, มีสติอยู่มันทําใจให้สงบได้อยู่นี่กิเลสมันก็นอนเนื่องอยู่ในนั่นแหละ มันไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นมาครอบงมจิตนี้ได้ท่านพอเผลอตัวเมื่อใดกีเลศนั้นก็ได้ช่องเลยอมันก็ลุกขึ้นมาครอบงมจิตนี้ทำให้จิตนี้ดิ้นรนเดือดร้อนไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละ คนเราเกิดมาในโลกสันนิวัติอันนี้นะดังนั้นนะจึงว่าการสร้างบุญบารมีกับการละกิเลสนะั่มันไปพร้อมกันขอให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างว่าบุคคลผู้มีศรัทธาบริจาคทานไปอย่างนี้นะเพราะว่าบริจาคสิ่งของนั้นออกไป ไอ้ความโลภความตณีที่มีอยู่ในใจมาแต่ก่อนนะมันก็เบาลงถึงมันไม่หมดมันก็เบาลงอย่างนี้นะเพราะความโลภความตณีเนีนะ่ยมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปดังนั้นการที่ผู้มีศรัทธาบริจาคทานไปอย่างนี้ได้มันก็เท่ากับว่าไปทำลาย รากเง่าของบาปอากุศล น, นั้นให้มันค่อยหมดไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ให้มันมาเหลืออยู่ในจิตใจนี่แสดว่ามันเราเราจะทำลายมันทีเดียวให้มันหมดไปเลยมันยังไม่ได้เพราะว่ากำลังบุญบา ร, รมียังยังไม่เพียงพอยังไม่เต็มดังนั้นนหะ เราจึงค่อยทาความดีนีไปเรื่อยๆเมื่อเราทาความดีไปเรื่อยๆเข้าไอ้ความชั่วหรือว่ากิเลสมันก็ค่อยเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละ mm hmm. เมื่อเราสะสมกรรมดีขึ้นในใจให้มากขึ้นไปเรื่อยๆไปอากิเลสมันก็เบาไปเบาไปมันหากขจัดกันอยู่ในตัวนั้นนะ mm hmm. เหมือนอยังยาอย่างที่ว่ามานั่นไะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วไม่ต้องไปขอร้องให้ยานั้นไปขับไล่กิเลสเขับไล่ไอ้โครคภัยไข้เจ็บออกจากร่างกายไม่จําเป็นต้องไปขอร้องหรอกเมื่อรับประทานยานั้นเข้าไปแล้วยามันทําหน้าที่ของมันเองกําจัดโรคภัยในกายนั้นออกไป อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเ <clears throat> นี่ยเมื่อเราน้มเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่จิตใจได้อย่างนี้นะมันก็ใจมันก็เห็นช่องทางทำความดีอย่างเช่นว่าความโลภอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนะี่ยพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้ถือสันตุถีตามมีตามได้ออย่างเนี้แล้วก็น้อมเอาคําสอนอันนี้ไปพิจารณาว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ถือสันตุถีตามมีตามได้เราวินี่ใช่ดูก็รู้ได้ปานี้ที่ทรงสอนให้ถือสันตุถีตามมีตามได้นั้นก็เพราะว่า บุคคลยังมีตันหาความทะยานอยากอยู่ถ้าไม่จํากัดลงอยู่นั้นแล้วมันจะไปล่วงเกินผู้อื่นเมื่อตอนหามาได้เท่านี้แล้วไปเห็นของผู้อื่นมีหลายกลัวตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตมันก็คิดอิจฉาแล้วอยากจะไปหาทางแย่งชิงหรือว่าหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไป เนื่องจากว่าตันหามันมีกำลังกล้ามากมันยังผลักดันจิตใจให้ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยที่พระศาสดาทรงสอนให้ยินดีพอใจต่อในทรัพสมบัติที่ตนเสวงหามาได้โดยทางที่ชอบได้มากหรือได้น้อยเท่าใดก็ทำความพอใจ ใช้สอยบริโภคเข้าไปเท่านั้นเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ความโลภความหวงแหนต่างๆนะั้นมันเบาบางไปเรื่อยๆอเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงว่าการละความชั่วกับการทำความดีเนะี่ยมันไปพร้อมกันนะมไม่ใช่คนละทีกันนะ เมื่อเราตั้งเจตนาทมความดีลงไปอย่างใดเข้าไปไอความดีอย่างนั้นมันก็ไปขจัดกิเลสซึ่งกงกันข้ามกับธรรมะนั้นออกไปเพราะธรรมะมันก็มีหลายอย่างที่พระศาสตาทรงสแสดงไว้เนื่องจากว่ากิเลสมันก็มีหลายอย่างมันไม่ใช่อย่างเดียวอะนั่นแหละ เหมือนกับโรคภัยในกายของคนเรานี่มันไม่ใช่มีอย่างเดียวอ่ะบางคน่ะมีโรคภัยตั้งหลายอย่างอยู่ในกายนี่เอาถ้าอย่างหนึ่งกำเริบขึ้นแล้วไอ้อย่างหนึ่งผันงดไว้ก่อนอย่างนี้แหละพอพะ อ, อย่างหนึ่งบรรเทาลงแล้วไอ้อย่างหนึ่งผลเกิดขึ้นแทกแซงขึ้นมา หมอก็ต้องพิจารณายาวางยาให้มันเหมาะสมกับโรคนั้นนั้นจะไปวางยาสุ่มๆไปพร้อมๆกันไปไม่ได้ยานี้ถ้าวางไม่ถูกแล้วก็มันมีพิษภัยไม่น้อยเหมือนกันนะนั่นเนี่ย <c oughs> อันนี้ฉันใดเหมือนกันเน่ยการเจริญกรรมฐานหรือว่าการ ที่เราจะน้อมเอาธรรมะเข้าไปสู่จิตใจนี่มันก็ต้องน้อมเข้าไปให้มันเหมาะสมกับกิเลส ธ, ธรรมะอันใดที่มันจะกาจัดกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจในขณะนั้นได้แล้วก็น้อมธรรมะอันนั้นเข้าไปอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าจิตใจเนี่ยมันชอบอยากโกรธหรืออยากอิจฉาหรือยายผู้อื่น โย่อย่างนี้นะเอออย่างนี้เราจะเอาทําอะไรมาระ ง, งับมันกิเลสเหล่านี้อย่างนี้นึกได้ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอ๋อก็เมตตานี่แหละที่จะเป็นเครื่องบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงพอนึกได้อย่างนี้แล้วกบเจริญเมตตาจิตเรื่อยไป ตั้งจิตคิดให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเป็นสุขโดยทั่วกันไปไม่คิดแต่ที่จะหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวและต้องคิดเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นนั้นอีกทีหนึ่ง <c oughs> จึงได้ชื่อว่าเมตตาตนและก็เมตตาผู้อื่นไปพร้อมๆกัน คนบางค น, นไม่ชอบเมตตาแต่ตัวเองมุ่งจะหาความสุขให้แก่ตนเองแล้วไม่คิดเผื่อแผ่ผู้อื่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกไม่ถูกต้องเพราะว่าตนเองอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เหมือนกันลองลองนึกว่าภาพดูสมมติว่าโลกทั้งโลกนี่มีแต่เราคนเดียวอยู่อย่างนี้นะมันจะว่าเวาตายสิไปอยู่ได้ยังไงล่ะ ท่าน น, นนี่เราอยู่ได้อบอุ่นใจอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีคนอื่นก็มาเกิดร่วมโรคกันอยู่นี่มารวมรวมกันอยู่ได้ท่อยที่ทอยก็อาศัยกันอย่างนี้นะเราก็จึงค่อยอยู่ได้อย่างมีความอบอุ่นใจ แต่ว่าคนผู้ไม่รู้ธรรมะผู้ประมาทแล้วมันไม่คิดอย่างนั้นทั้งที่ตนก็อาศัยกันอยู่รวมกันอยู่กับมูแต่แล้วก็ยังอยาคิดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่อย่างนี้ยังอะคิดอิจฉาผู้อื่นยังไม่มีนโยบายที่จะผูกมิมตรไมตรีจิตต่อกันและกัน ไอ้เช่นนี้นี่มันมันก็ไม่ถูกทำแล้วไม่เป็นธรรมอ่ <c oughs> มันไม่เป็นธรรมแล้วมันก็หาความสุขความสงบไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นนะเราต้องปรับปรุงตัวเองทุกคนนะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมฝ่ายกุศลนั่นเถอะ ปับปงกายวาจาใจนี่ให้มันเป็นธรรมให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้า mm hmm. เช่นอย่างว่าถ้าใจมันมีเมตตาแล้วอย่างนี้นะปรารถนาที่จะให้ตนเองและผู้อื่นเป็นถูกทั่วไปอย่างนี้ mm hmm. การแสดงอาการกายออกมา ต่อสังคมก็ต้องแสดงอาการกิริยาอาการกายให้ละมุนละไมอ่อนโยนไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องต่อสังคมต่อหมู่ต่อคณะการกล่าวว่าจาอะไรออกไปก็ต้องพูดให้เป็นที่ลืล่นเลงบันเทิงใจของผู้ได้ยินได้ฟังไม่พูดเสียดแทงใจผู้อื่น ให้เกิดความรู้สึกไม่สบายพูดไปในทางที่ให้เกิดความปองดังสามัคคีกันไม่พูดไปในทางที่แตก้รวสามัคคีกันไอ้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้เจริญเมตตา ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพร้อมทั้งสามอย่างเลยทีเดียวอะไปพร้อมกันการเจริญเมตตานี่ก็ต้องเจริญทั้งไตรทวารนี่เองนะจะไปนึกแต่ทางใจอย่างเดียวแล้วทางกายวาจาไม่ไม่แสดงออกถึงความเมตตากรุณาอย่างนี้ นั่นก็แสดงว่าใจนั้นก็ไม่มีเมตตาเหมือนกันนะ่มันจึงได้แสดงออกทางกายวาจาอันไปเป็นไปในทางที่เห็นแต่แกตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาเลยภายในจิตใจนั้นนะเพราะว่ากายหรือวาจานะี้มันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ <c oughs> ดังนั้นนะทุกคนต้องให้เข้าใจต้องให้รู้ธรรมะเหล่านี้แล้วก็รู้จริตนิสัยตัวเองถ้าผู้ใดเป็นคนเจ้าวิตกคิดมากอย่างนี้นะก็ต้องนึกถึงระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอน น่าจะทำยังไงเนาะใจนี่ถึงจะสงบลงได้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทำไมมันฟุ้งสั้นโอ้พระศาสดาก็าทรงสอนแล้ ว, วให้เจริญอนาปานสติกรรมฐานพยายามตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเสมอหยุดคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องบริกรรมอะไร กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอธิษฐานใจว่าเราจะไม่คิดอะไรต่อไปอีกแล้วในระยะนี้นะ่ะเราจะกําหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้นแหละอย่างนี้นะอธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็ตั้งสติควบคุมจิตให้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรืองั้น ถึงมันจะเผลอคิดไปบ้างมันก็ไม่รุนแรงหรอกถ้าเรามีสติประคองจิตอยู่อย่างนั้นนะความคิดมันก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมจิตนั่นเอาจะจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์ต่างๆภายนอก นี่แหละอันอุบายที่ผู้ใดเป็นเจ้าความคิดมีความวิตกวิจาร์ไปไม่รู้จักหยุดยั้งอย่างนี่มันมีทางเดียวเท่านี้ทางระ ง, งับความฟุ้งซ่า น, นให้พากันเข้าใจนี่ในเบื้องต้นนะนี่เมื่อรู้สึกว่าผู้ใดควบคุมจิตตนไม่ได้ มันฟุ่งไปอยู่งั้นมันก็รีบเข้าที่นั่งสมาธิภาวนากำหนดสำรวมจิตรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่นานจิตที่วิตกวิจาร์อะไรต่ออะไรไปหมดนั้นมันก็ค่อยสงบลงสงบลงไปเรื่อยๆอ่าเป็นอย่างนั้นมีทางเดียวนี่แหละให้พากันจำเอาไว้เลย อย่าไปทุกไปร้อนไปเรื่อยเปลยไปเอ๊ะทำยังไงหนอเราจะระ ง, งับความคิดอันนี้ได้ทั้งที่ตนก็เบื่อหน่ายความคิดตัวเองแต่หากว่าไม่มีปัญญาที่จะมรละความคิดอันนั้นได้ไม่ควรไปจนปัญญาอย่างนั้นบน่อนีนะให้เข้าใจต้องนั่งเพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่แหละ ไม่ต้องลังเลสงสัยอย่างอื่นเมื่อเราดิ่งลงสู่ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เทนี้ไม่นานนจะิตนั้นสงบลงได้แน่นอนนะไม่ว่าใครจะเจริญกรรมาฐานอะไรแหละตอนตอน้ตนแรกนี่นะตอนนั่งสมาธิเข้าไปใหม่ๆนี่ต้องโน้มสติเข้าไปหาจิตประคองจิตได้ให้กาหนด รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวการภาวนาถ้าไม่กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แล้วจิตนี้จะไม่ไม่สงบลงได้เลยไม่สงบแน่นอนทีเดียวดังนั้นให้พึ่งพากันทาตามที่แนะนำนี้แล้วคงไม่ผิดหวังแน่จใจต้องสงบลงให้ได้แหละ ไม่วันหนึ่งก็วันหนึ่งทุกคนมันอย่างว่านั่นแหละอันจะไม่ให้ฟุ้งซ่านก็ไม่ไหวจิตนี่นะเนื่องจากว่ามันมีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาบ่อยๆอย่างนี้จิตนี่มันก็จะต้องคิดจะต้องวิจารณเหตุนั้นๆเลยไปเหตุบางอย่างมันจะําทำให้จิต มุ่นทาให้จิตเดือดร้อนเหตุบางอย่างก็ทําให้จิตสบายไฟก็มีอันภายนอกนี่นะก็ไม่ใช่ว่ามีตั้งแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นหรอกแต่ว่าถึงเป็นเรื่องสบายได้มันก็สงบลงไม่ได้นะจิตอันนั้นถ้าหากว่าเราไม่เพ่งไม่น้อมเข้ามาสู่ปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราน้อมสติสมถสัญญ่เข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วแล้วน้อมกรรมฐานอันที่เราจะเจริญนั้นเข้าสู่ใจแต่ความจริงแล้วกรรมฐานไม่ได้มีอยู่ภายนอกหรอกไม่มีลองสังเกตดูสิสมถะกรรมฐานสี่สิบข้อนั้นนะรู้ดแต่ที่เข้ามาที่กายนี้ทางนั้นนะ อย่างพโมวิหารสี่อย่างนี้ก็ใจนั่นแหละเป็นผู้เจริญน ะ, ะนึกถึงตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นดังกล่าวมาแล้วนั่น น, ะนี่อาสุภะสิบอย่างนี้นะการเพ่งร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกสกปก ต, ต่างๆหมอนี่มันก็ล้วนแต่ มีอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นอสุภาคกรรมฐานนะเราจะไปเพ่งไปดูภายนอกนู่นมันมันไม่ถนัดเท่าเพ่งดูร่างกายนี้หรอก <c oughs> มันทำให้ใจฟุ้งไปซ้ำถ้าเพ่งออกไปข้างนอกนะฉะนั้นเรามาเพ่งพยายามเพ่งดูร่างกายนี้เข้าไป มันก็เห็นเป็นอสุภะสงภังได้แน่นอนเลยทีเดียวเป็นเงิน <c oughs> อย่างพิจ า, ารณาธาตุสี่อย่างนี้นะการเจริญธาตุสี่เป็นอารมณ์ก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้มันร่างกายนี้มันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมอย่างนี้นี่นหละไม่ใช่ทรงสอนให เพ่งดูธาตุสี่ภายนอกนะไม่ใช่ทรงสอนให้เพ่งดูธาตุสี่อันมารวมการเข้าเป็นรูปร่างกายอันนี้คือบุญนั่นแหละมาบุญและบาสนั่นแะมันมาตกแต่งธาตุของบรรดาบิดานี่นะผสมกันเข้าแล้วทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปคนขึ้นมา มีสีสษะมีแขนมีขามีลำตัวมีอวัยวะ้วยใหญ่ต่างๆมูนี้นั่นมันก็เกิดขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เองเ่ยรูปกายอันนี้ไม่มีอะไรนี่ไม่มีตัวตนเราเขาอะไรถ้าถ้าเพ่งดูในในเรื่องธาตุนี้แล้วนะ ก็มันจะเป็นของเราที่ไหนธาตุสี่ น, นี้ถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้แหละมันก็จะไม่แตกไม่ดับแล้วอันนี้มันมีแตกมีดับอยู่มันก็ไม่ใช่ของเราเท่านั้นเลยนี่ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เพ่งดูให้มันเห็นให้มันเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนี้ มันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านี้แหละประชุมกันอยู่เนี่ยแล้วก็แถมสองธาตุเข้าไปอีกอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุกับช่องว่างที่มีในกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นเหล่านี้แหละมันก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างเหล่านี้นะ วิญญาณาธาตุก็ได้เขีย่ยใจนี่เองเใจนี่มันก็เป็นธาตุอันหนึง่งธาตุรู้ธาตุน้อมรับอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาเนี่ยธาตุเหล่านีน้มีหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้พระศาสดาทรงสอนให้ พุทโธสัตว์เพ่งดูจิตนี้ให้เป็นธาตุลงไปอย่างหนึ่งอย่าให้มันไปเห็นว่าจิตเราใจเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้ามันเห็นไปอย น, นั้นถ้าเมื่อเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่ ง, งเข้ามาเช่นยกตัวอย่างว่ามีใครเขาํำหนิตีเตียนเอาอย่างนี้นะ เอาเลยะก็ไปวิตกวิตาจารนอยู่นั่นแหละว่าเขาว่าให้เราอย่างนั่นเขาด่าเราอย่างนี้เขาเสียดสีเราอย่างนั่นอย่างนี้นี่ยวิตกเท่าใดก็กลุ่มใจขึ้นมาเท่านั้นทุกใจหรือไม่เทนั้นก็กลายเป็นความโกรธไปอย่างนี้แหละในการที่เราไม่ไม่เพ่งดูใจอันนี้ให้เห็นจริงทำเป็นจริงแล้ว มันก็เดือดร้อนนะถ้ามันสำคัญว่าใจนี่เป็นของเราแล้วมันก็หวงนะตัวเองหวงตัวเองไม่อยากให้ใครว่าอะไรให้ถ้าใครว่าเข้ามาแล้วก็เดือดร้อนทันทีแล้วอย่างนี้นะไม่มีทางแก้ไขดังนั้นต้องเพ่งดูจิตดวงนี้ เหมือนกับเพ่งดูร่างกายเหมือนเหมือนกันเมื่อเห็นร่างกายนี้ว่าเห็นลงไปอย่างนี้เลยจิตมันก็รวมลงได้แบบนี้นะเมื่อมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็หยุดคิดลงได้มันก็มันก็วางลงนะอา้าวจะไปคิดแต่มันลำบากทำไมล่ะก็มันไม่มีตัวมีตนอะไรอะ ไอสิ่งที่คิดถึงอยู่นั้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่ใช่ของเขามันก็เป็นได้เพียงธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นจิตที่มันคิดไปหารูปเสียงเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อเราเห็นลงไปอย่างนี้แล้วมันก็มันก็วางลงได้อมืมันก็วางลงได้ ไม่เดือดร้อนเลยไม่โกรธไม่โทรมนัดน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยบางคนไม่โกรธกุนแรงหรอกแต่ว่าน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจว่าเขาว่าให้เราเขาดูหมิ่นเหยียดยามเราอย่างนี้นี่มันมีนะกิเลสประเภทเหล่านี้นะดังนั้นเราต้องรู้ตัวมันรู้ตัวกิเลสเหล่านี้ให้ได้ อันนี้มันก็เป็นกิเลสตัวนึงอย่างงี้นะอย่าไปส่งเสริมมันนี่แหละมันก่อทุกข์ให้ต้องละมันลงไปเมื่อละลงแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้นะนั่นแหละมันไม่มันไม่สร้างกิเลสขึ้นมาแล้วเมื่อกิเลสเหล่านั้นดับลงไปแล้วก็เหลือแต่ความรู้ทำเป็นธรรมชาติลั่งเดิมอยู่เท่านั้นเองนะ ธรรมชาติของกิจนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามันเป็นประพัดสอนนะหมายความว่ามันมันท่นองใสอยู่ตามธรรมชาติแท้ๆนะมันท่องใสมันไม่ได้มัวหมองแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วมันไปเกิดความไม่รู้ไม่ฉลาดขึ้น เมื่ออะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วมันก็วันไหวไปตามเลยแบบนี้เมื่อมันไม่รู้ไม่ฉลาด mm hmm. ความผ่องใสอันนั้นมันไม่ใช่ว่ามันฉลาดมาแต่กำเนิดอันดวงขีดดวงนี้นะแต่มันเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างแก้วอย่างนี้นะธรรมชาติของมันผ่องใสามาแต่เดิมนะ mm hmm. ขิดก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ย ธรรมชาติทองกิดนี่มันก็ผ่องใสมาแต่เดิมเนี๋ยอย่างว่าแก้วหรือทองคําำถ้าจมอยู่ในดินในหินดินหินโอบอยู่หุ้มอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีรัศมีรังสีอะไรเลยมันก็เหมือนอย่างหินธรรมดาอยู่ยนั่นแหละตอนนี้เมื่อขุดค้อนออกมา ไล่สนิมออกไปชำระสิ่งที่ไม่ใช่แก้วไม่ใช่ทองคำนั่นออกไปละยังเหลือแต่เนื้อแก้วเนื้อทองคำล้วนๆเลยมันก็ทำเกิดเป็นแสงเวววาวขึ้นใสสะอาดขึ้นมาได้จิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อ เราพยายามนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเพ่งให้มันสงบลงมาให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นอย่างนี้มันฟุ้งซ่านไปก็พยายามให้มันสงบให้ได้อย่างนี้นะเมื่อเราพยายามอยู่ไม่ท้อไม่ถอยนี่มันก็สงบลงได้เมื่อมันสงบลงได้แล้วก็ จเจริญปัญญาสอนจิตนี่ให้ละให้ถอนความยึดความถือต่างๆลงไปเมื่อปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันก็ค่อยคลายออกไปเรื่อยสอนให้มันรู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาเนี่แหละสำคัญนะอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วกอให้พากันตั้งอกตั้งใจทาใจของตนให้เป็นไปตามดังกล่าวมา